แล้วนางเขามาบอกหรือเปล่านี่อธิบรีกรมประชาสงเคราะห์ที่วัดจีมาน้างหลังก็ไม่ได้กลับมาบอกเขาไม่ได้กลับมาบอกคงจะมาดึกมาม า, ากลับินุนดึกนียทำให้ยุ่งไม่ได้เรื่องคุณแม่จะมาบนเอียมาที่นไม่มาตามคําให้รอให้คอยให้ยุ่งเราทุกข์ลาบากเพราะเรื่องเหล่านี้ สามทุ่มกว่าเราก็พักแล้วมันจะตายทัตุม่เราไปเริมพักน่ยไม่พักกันไม่ได้ทุกทุกวันาการอ่อนมากอ่อนอยู่ภายในนะไม่ใช่อ่อนข้างนอกผมไดพูดเพื่อนทหรือเปล่าก่อนที่จะรักษา ย, ยาหินนะที่ว่าเกือบไป สองวันสองคืนบังคับกันไม่เอาอยางหนักเยอะนะถ้าธรรมดาไปแล้วนี่ก็ไม่น้ะคุยแล้วพูดตั้งบางคนกินติดใจมันเข้มแข็งว่าอะไรมันไม่รู้ตกวิจารย์มันจะตกสะท้านดูแต่วความจริงมันที่มันจะแดงอีูภายในมันหอบหอบอะไรไม่รู้นะ ควมแบบพังค like so ับแลเนียนหน้าฟุ้างมันเป็นมาเด่นาะเหมือนกับไปชักขัางไปแล้วลงข้างในพุ่งขึ้นมาได้หมดมาหมดแล้วลงลงในนี้ไม่มีหายเงียบไปเจอความรู้นั่นแหะไปต่อ้นถ้ามันมีสติหรือว่าไม่ มีเครื่องควบคุมก็ไปเท่านั้นนั่นะคนที่ว่าคนตายนั่งอยู่ตายตายแบบนี้เองเพราะว่าเหมือนมันมันชักนะมันหอบพุ่งมาอ้าวมา้งมั้งมหน้าหงายแบบนี้นะมเป็นเองมันมันชักเป็นเาล้นี้ไปหมดนั่นแหละหมดนี่มันก็ออกตอนนั้นอันนี้ลมมันหมดหรือความรู้มันไม่หมดเลย มันลุกมาอยู่ไปไหนบังคับไว้ตรงนั้นทีช่วโมงหนึ่งขึ้นสามผลมันห น, น, น, นักเท่าหนักเ่าขนาดนั้นภาในชั่วโมงขึ้นถึ ง, งสามเหมือนมันจะทนได้เลยจะหาข้ากันได้ได้ยังไงมันก็นยิ่งจะดุริยางมันเกินไปนทำแล้วมตก ถ้พื้นไปอย่านี้มันจะไม่ตายจะไม่เลยเจ็ดวันเราคิดแล้พอพอดีที่ยากีนมันมันกำลังอ่อนนี้ลงมันก็ยังมีอยู่มันไปยในมันไม่หอบอย่างนั้นก็ตามแต่นั้นก็มีอาการของมันเป็นตัวเด่นที่จะให้หอบมันยังมีมันเหนื่อยหายใจบางทีเหมือนเราหายใจไหม ถัวท้องหายใจไม่เต็มก่อนมันต้องงานที่สูบลมหายใจยาวมันทำให้สูบลมหายใจยาวคือลมธรรมดาไม่พอมันก็มีเรื่องบางทั้งๆหลายมาขึ้นดันเป็นผมทำไม่ได้วันที่อะไรทั้งตีหนึ่งกันนะ นอนไม่ได้นอนมันจะไปเวลานอ น, ม, นมันจะหอบของมันปับปัขึ้นมานแล้วกระตงเหมือนย่ดบังคับกันนั้เหมือนผูต้ตองหายอย่างอุกชะกันเลยทิงตีนหนึ่งคือแรก่มพออยสมลงแล้วเ น, นี่ยใจว่าพักได้เลยพระดึงขึ้นมาคำาั่งค่อน ควบคุมมือกันตลอดทั้งวันเลยถือไม่ได้นะถ้าพูดภาษาโลกถือเป็นไปแต่มันไม่หอมมนะันมันก็อ่อนอ่อนมนอ่อนนึงแลวก็หัใจมันไม่ต่างมานเหแล้วแต่คนรู้ดีเฉยเรื่องที่สองตีสอง บังคับกันนั้นตลอดพอกันยังหลับพี่น้อขนาด น, นอนไม่ได้นอนไปเลยอาการเวลานอนหลับนี่ไปเรื่อยมากกว่าเบียบบน่นเพราะขันส่วนพักมันก็พักเองส่วนมันคกำเริบมันไม่ได้พักไปตอนน่อมากลางวัน ก็เหมือนกันทันได้ลตกวจะอยู่ไม่นานท่านแบนก็มีรับนานเดียวกันที่ได้รับชัยมามาลอยตอนุกมีมนไปไปงานจะาเหลืประชุมนอาชี่แล้ว นั่นแบนพูดแบบเดียวกันพูดประหลัดใจสองมังนั่นแน่ๆชอบคนมีหน้าหวังก็ทำให้คิดถึงขอบคุณอาจารย์ดีที่ท่านไต่อายุท่านกว่าห0สิบกว่าทุกขัางคงไปรับสนามีหวัง หายใจไม่ทั่วท้องหา ใ, ใ, ใจเป็นปอดออบแต่ท่านเขาใจว่าเป็นหื่นะนี่เป็นลักษณาเหมือนว่าเป็นหืดทันเว่าันความกินไมันจะหืเป็นอย่างผมเป็นนี่ไใจหืดนะแต่ท่านไปเข้าใจว่าเป็นหืดทันเาเประสาทไข้ผู พอพูดขึ้นมาก็เข้าในกะเบงของผมมันไม่ใช่หนึ่งมันหอบจะตายเกี่ยวโโลัลวันขึ้นเป็นแผนที่สองซ้อนกันเข้ามาเป็นโลงวิจญาเป็นแผนหนดึกพื้นเพีวมันก็ตา ย, ยางายอแล้วนอันนี้ซ้ำเข้าไปมันยิ่งว่เลยนะเยอะมากทีเดียว ถึงขนาดเราเองมันต้อกดนี้ตกหน่อยถ้ามันเป็นอย่างนี้พื้นเป็นอย่างนี้ไปอย่างนี้อย่างเป็นดุริานี้อาจจะไม่ถึงเจ็ดวันที่อย่างมากกว่างั้นเลยมันจะทนไปขนาดไหนหักห้างมันไปขนาดไหนได้เมื่อมันดุลแล้วอมันเริ่มเบากระแลงที่จะหักจะห้างมันก็ต้องปล่อยสินั่นแหละไป มันายนอกมัมันเป็นไรใครดูเราอย่างที่ว่าสายตาก็ะสใุใสผิวพ0รณวันนะอะไรนีร่า ง, างกายเปลียนแปลงมันก็เปลียนแปลงแล้วอันนี้มันไม่เปลี่นมันเป็นภายในภายในมันไม่ได้เป็นอย่างภายนอกนี่ใครดู้ด้วยรู้ด้วยรู้ เ, ว, เ, ว, เ, ว, เ ว, ว่าเราคนเดียว ฉันอยากกินลงไปนี่ค่อยค่อยละับลงไปอมเพรงั้นนะฮะหายไปก็น่าวยาเขาเร็วอยู่นะหายไ ป, ยไ ป, ยไปในรายะนั้นเรืเร่อยๆจะมีน้ำไม่หายขาดมันยังมีคลือดของมันเชื่อของมันเยอยแสดวยังมีในการเดินไห ผมไม่เหน่อยนะภาวนาไปเลยไม่หนื่อยภายในตั้งแต่ค้างที่มาล้หนื่อยแล้วเดินมีดบาเรื่ยๆเหนื่อยหอภายในเดิน ม, มาไหนมาไหนรู้สึกหอหอไปไหน นี่เุนแงหายไปแล้วออกไปไหนไม่เปลี่ยนไปยังนี่ดยที่คนหลังเลลังเลไม่มีที่ไปหรือว่าไงโรงใสตลงตรงไหนโปรงงํำบากไม่ว่าเขาว่าเราเหมือนกันหร้อว่ใจรดีวั ตงไปที่ไหนที่ไหนเสนิทใจไม่สนิทใจมนลังไส้มาลังไหลมาหลังไส้ไมาเหมือนมันมีมาในวัดเป็นประจำเช่นเมื่อวานก็ดูวันพระวานาันอิตยธรรมดาสั่นหาสารนางเงินเขาเรว ฟังพึ่งอะไรมันก่อนเห็นอย่างที่เห็นหนึ่งนั้นพึ่งอะไรนี่แต่เรื่องจะพังแต่เรื่องพังอืพังแล้วพังเราออันนั้นมาพังอันนี้พังใกล้พังไกลพังรอบตัวพังมองดูทางตาก่อนพังฟังทหูก็พังสัมผัสสัมผัสอะไรมามีแต่เรื่องอันนี้จังพึ่งก่อนอันับตาพังลงพังลงพังลงรอบตัวเป็นอยู่เป็นประจํา ทั้งวันทั้งคืนยืนเนานแน่นอนทำไมจะไม่คิดคนเรามนุษย์ฉลาดกว่าสัตว์นี่ต้องคิด น, นี่นี่แหละจริงจริงเคนเหมุนตัวข้อสวดสุธรรมก็เพราะเรื่องความทุกข์เรื่องความทังทองนัน น, นี้ทางตุกข์หน้าตาเตือนอยู่ตลอดเวใครมีสติก็จับได้หาหลักที่เปลี่ยนต่างจากนี้ได้ใครไม่มีสติปัญญา จมไปด้วยกันจมันตามๆกันเฮอกันไปนั้นอย่างีคนมามากเราก็ต้องใช้ช้าําลังไม่พูนไม่สั่งสอนยังไงตาไหนก็จ้องเข้ามาที่นี่หูไหนก็จ้องเข้ามาที่นี่ใจดวงไหนก็จ้องเข้ามาที่นี่เพื่อเห็นเพื่อฟังเพื่อได้ยินได้ไดอ่านได้ยึดเป็นกนติก เราก็ต้องหนึ่งแสดงออกราบกันเลยก็เทศน์ว่าการแนะนำทางสอนหนักเบามากน้อยไปตามเหตุการณ์อยงมีพออ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆถ้าลกออกูกหอดึงมันหายหาความแน่นอนไม่ได้หมดเลย มันหอบอะไรมันมีอารมมั น, มนพูดได้เชื่อผมให้ชื่อมีเฉยว่ามันหอบเป็นลักหน่ายนั่นนี่ถ้ามีความวันไหวมีความกลัวเป็นกลัวตาย ความเซลลใใจเข้าไปแสกแล้วยิ่งเร็วนะโรคนี้โรคันนี้เพราะสิ่งเหลนี้เป็นสิ่งที่ทำลายได้อยา่างพินาทขาดศูนย์โดยรวดเดียวจบแต่ผลพิการที่เราไม่หนีมีแต่ความรินล้วนๆจะแสดงอาการอะไรริกับจกินดูกันไม่กระทบกระเทือนกัน นอกจากเป็นคุณต่อกันเท่านถ้าเห็นคนรักยามีแต่บาระเท่าน้ท่ทำใหราโดนทั้งกายทั้งกายหลังไหลเป็นมามีแต่ภา่าเจียวเราที่เรารักคนนเดันก็เห็นใจเขางแต่เขาเจียวเราเมือนกนนะนี มันใครยังเดียวก็มาเป็นหน้าเดีเยวกันถาคขานานี้เม่แตกต่างไปอย่างไงเดินท้าสายเดียวกันแต่การมันที่มีจะทำให้ตายมันมีอาการต่างๆางกันสุดแล้วก็ตาย ม, มาตึงสา้าลงถึงนีนควรกระมาระวังอุ่งอะไรในโลกนี้ ไม่มีใครขนาดเกินแบบวเจ้ารข่อยค ว, าว้าปวงก็ข่อยคว้ามาพอแล้วอะไรก็ล่มเหลว อ, อะไรก็ล่มเหลวยังเขา้าวิทย์ทำแล้วผ่านพ้นไปได้ด้วยอำนาจแห่งตังจนเป็นศาสดาสอนโลกุลมาด้วยวิธีการที่ทรงผ่านพ้นไปได้ด้วยอาการใดก็สอนอย่างนั้นอย่างนั้นมาจนถึงจุดที่หมายที่พ้นไปก็อสอนได้หมด ธรรมะที่สอนแล้วเหมือนกับสิ่งที่วางลงไว้แล้ว น, ะ น, นี่อันนี้มีอยู่นะอันนี้ว่าอย่างนี้อันนี้ผิดอันนี้ถูกก็เหมือนอย่างนตั้งเลยผิดก็จริงๆีน่เห็นชัดชัดถูกก็เห็นเดียทันอ้พี่เจ้าจะล่วงไปเท่าไหา่ไม่สาคัญสิ่งที่มีอยู่นี้ไม่ลบล้างนั่นแหละสอคาลธรรมที่ว่าแตได้ชอบแล้วเหมือนองค์าศาสดาแสดงออกมาจากพระโอษฐ์พระสดร้อนๆอย่างนั้น ที่เรื่ตัวไหนแสดงอาการยังไงเห็นไหมในหัวใจเราคิดจากพระพุทธเจ้าสอนไว้ความโลภความโกรธความหลงราคาตัณหามันแสดงยัทุกหัวใจวิจารสสอนไม่หมดเรื่องโทษทั้งมันเป็นยังไงอะไรแ้วการอนุญาตมันได้มีคุณยังไงโทษก็สอนไม่หมดนี่หละเดียวสดๆร้อนๆเห็นในในหัวใจเราลบล้างไปไหนเย ตามมารู้ขาาที่ไปนิพานไปแล้วมีวนั่น ห, หนักขึ้นมากทำนิ่งๆนั่นเรจะเป็นครูสอนแทนเราใช่ไหมแต่กาลโคตเวลารเราผ่านไปแล้วนี่ะเห็นได้ท่านเองสอนว่าอย่างไงจริงอย่างนั้นเป็นประจำพระองค์จะผ่านไปไม่ผ่านไปนิพพานไปไม่นิพพานไ ป, ไ น, ไปไนั้นสำคัญสัจธรรมที่การได้ชอบชอบอย่างนั้นเป็นปัจจุบัน เะ น, นั่นการปฏิบัติเพราะผลมิออพานทัดําดเนินตามสขัขาธรรมนั้นจะไปไหนต้องเป็นปัจจุบันเป็นความจริงเหมือนกันกับเยเลตที่มันฝังอยู่นในหัวใจเราแสดงอยู่ตลอดเวลานี้ทำเวลาล้าวปรากฏขึ้นในะกแล้วก็เป็นเช่นเดียวกันเป็นธรรมตลอเวลาภายในใจท่านดลวง กิเลสมันพ่อบพูงหัวใจจะเต็มขีดกันหาทางออกไม่ได้พูดแบบหลับตาพูดเพ่าะกิเลสมันปิดตาลบกล้างไปหมดบาปพูนลลนรกสวรรค์โทษทันต่างๆลบร้างกิเลสมันลบล้างมันลบร้างความกินต่างกิเลสม่ได้ลบร้างตัวเอ ง, องนีนะแต่โลกก็เชื่อมันมาอย่างนั้นจะไหวไง ทำประกาศตั้ง้งมันก็ไม่ฟัง น, นั่นที่มนจะเนรับความทุกข์ความทรมานตลอดไปเดี่องว่าจะเเพียมตลอดมาเลยตลอดไปไม่มีต้นไม่มีกายน ม, มัตต์ตา ม, มัตมมต์มาโก้ท่านงื่อ น, นตเงื่อนตายของมัตตวนุนแห่งจิตที่ยังมีสิตเด็กฝังเป็นเชื้ออยู่ภายในใจนั้นไม่มีเลยคุณผู้ คือเงื่อต้นมันยัมีเงื่อนปานไม่มีจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปถ้าถอดถอนลูกศรคิเชื่าขอ่เจริญนี้ออกไม่ได้ขาดไดแล้วจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปนี่คือทำภูมิศาสตร์มาถอดลูกศรคือเชื่อม อ, อกเกาะเท่า น, นั้นหมดไม่มุมนะจาน้า ใ, ใจของภูมิศาสตร์ว่าเราเป็น ีัสอนหมู่เพื่อนก่นหมู่เพื่อนจะมาเออะแต่ก่อนไม่เคยปล่อยเคยละกับพระกับเนรผมงวดกวดขันด้วยความเมตตาสงสารจริงๆแต่เดนนี้ไปยงที่ว่าแล้วคดูดูเขาคุณสารมาตั้งสามเดือนเทิดผลสองผลเทนั้นเคยมีหรอตั้งแต่รับหมู่เพื่อนมานี้มันควรเป็นไปได้ก็ต้องเป็นไปควรเทศก็ต้องเท อันนี้มันไม่ควรอยู่ภายนี่ยมันบอกอยู่ภายในยาและมันระวังรักษาจากของขนี่ก็เพื่ออะไรกอบกูอวองค์คณะถ้าสมวูรณ์แบโบดยลําพังเรากับขันนี้มันไม่มีปัญหาอะไรเลยผลสลัดทิ้งไปนานเลแบบยสิ๊กาย์มันอะไรก็ดิ่งนง้ำลมไฟมันเกียยอยู่นี่กว่าแผนดี ่เวละมันจะทิพายไปไหนมันก็ลงไปท่างเด้งมาจิตถ้าพอตัวแล้วมันจะได้จะเสียอะไรจากสิ่งหล่นี้สลายไปถ้าพอตัวแล้วมันก็รู้จะทาดีอย่างนั้นไปทางไหนตางงานตัดงกิแล้วตื่นเต้นเมไรอะไรจะมากระกบกระทืบกันนี่สามีทำงาน เราหม่กันมามาอยากปรึกษานะ